บันี้จากแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนัยยะแห่งคำถามมังมานบทั้ง16ท่านที่สคือท่านปุณกะมนพได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นใจความโดยสรุปว่าบุคคลทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ ตามแพทย์ที่สูตรก็ตามได้พากันบูชายันด้ยปรารถนาผลอะไรแล้วเขาจะได้รับผลเหล่านั้นตามที่ต้องการหรือไม่พระบูมีพระเจ้าได้ทรงแสดงว่าการที่บุคคลทั้งหลายเหล่านั้นได้พากันบูชายันด้วยวิธีการตา่างๆโดยมุ่งหมายผลที่เป็นเรื่องของโลกธรรม ยือลาภยศสรรเสริญและความสุขจึงบุคคลเหล่านั้นมีความปรารถนามีความยินดีในภพที่ประนีตขึ้นขึ้นที่ประนีตขึ้นไปซึ่งคนเหล่านั้นบางท่านก็ได้รับผลตามที่ต้องการบางท่านก็อาจจะไม่ได้รับผลแล้วข้อนี้จะเห็นว่าเป็นคำถามในด้านของโลกเกียธรรมตามถึงหลัก หลักในการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้สูงขึ้นพระนีรตขึ้นจนถึงได้พบได้ชาติทพระนีรตซึ่งหลักการปฏิบัติเหล่านี้เมื่อเป็นชาติของโลกียธรรมพระพุทธศาสนาเองก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่พระพุทธเจ้ากลับทรงยกจ้องหลักการวิธีการที่ถูกตรงเพื่อจะนำบุคคลเหล่านั้นให้ได้รับผล ในด้านที่เรียกว่าเป็นโลกกับธรรมโดวยวิธีการต่างๆอย่างในกรณีของการแสวงหาลาบนันก็มีอยู่สองเส้นทางคือทางหนึ่งได้มาในทางที่ไม่ชอบธรรมทางหนึ่งได้มาในทางที่ชอบธรรมพระพุทธเจ้าก็ทรงประทานหลักของสมาชีวะเอาไว้คือบุคคลยังปรารถนาลาบยังต้องการลาอยู่ แต่จะต้องให้ลาบนั้นได้มาในทางที่ชอบทำละการแสวงหาลาบในทางที่สร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นทั้งแก่ตนและแก่บุคคลอื่นซึ่งการแสวงหาในทางที่ชอบทำนั้นทุกขั้นตอนของการแสวงหาแม้แต่การได้มาการถือครองต่อดจงการใช้สอยลาบเหล่านั้น ดูควบคุมไว้ด้วยคุณธรรมความดีที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลเหล่านั้นก็สามารถบริโภคใช้สอยลับเหล่านั้นด้วยความสุขสามารถให้ความสุขแก่ครอบครัวเพิ่มพูนกองการกุศลแก่นกตนและในจากจุดนี้เองพรงะพุทธเจ้ายังทรงกระจายออกไปในชา้นของการใช้จ่ายทรัพย์โดยบุคคลคํานึง ในหลายด้านด้วยกันเพราะเรื่องขอชีวิตจะต้องมีอนาคตมีโอกาสต่อไปมีภารกิจการงานมีบุคคลที่ตนจะต้องรับผิดชอบเมื่อได้ทรพัพย์มาแล้วก็ทรงสอนให้แบ่งไว้เป็นสามส่วนส่วนส่วนหนึ่งก็ใช้บริโภคในครอบครัวอีกสองส่วนก็ใช้ลงทุนในกิจการงานต่างๆ ในส่วนหนึ่งก็ใช้เก็บสะสมเอาไป <c oughs> แลในขณะเดียวกันก็ให้สร้างสมบุญกุศลโดยทรัพย์อีกส่วนหนึ่งในสองส่วนที่ใช้การลงทุนนั้นป ร, รายประาการลงทุนในส่วนปัจจุบันเป็นการสร้างความอยู่ดีมีสุขให้เกิตนในปัจจุบันแต่ว่าชีวิตบุคคลไม่ได้มีอยู่เฉพาะในชาติปัจจุบัน ยังมีชาติต่อไปภายหน้าโดยประสงสอนให้บุคคลเก็บสะสมบุญกุศลเอาไว้เพื่อเป็นที่พึ่งพำนักของตนในภายภาคหน้าแม้จะยังเป็นเรื่องของความมีพบมีชาติแต่ให้ได้พบได้ชาติทิฏฐินีษซึ่งพูดง่ายว่าจะเกิดทั้งทีก็เกิดเอาดีให้ได้ไม่จะเกิดมาแล้วมีแต่ความทุกข์ทรมานหาความสุขความสงมบไม่ได้ ชีบิตในลักษณะนี้จะไม่มีการพัฒนาไม่มีการก้าวหน้าแต่ประกันได้จึงจะเห็นได้ว่าโดยการปฏิบัติเช่นนี้บุคคลจะเป็นเจ้าของเป็นนายของลาบเหล่านั้นอย่างแท้จริงแต่ถ้าหากว่าบุคคลลงทุนลงแรงทำงานด้วยความเหนื่อยยากลําบากมาไม่ใช้จ่ายด้วยตนเองไม่เลี้ยงดูตนเองให้เป็นสุขไม่เลี้ยงดูครอบครัวให้เป็นสุขก็ไม่ทำบุญ ให้ท่านชื่อว่าเป็นการตัดรอนผลประโยชน์ที่ตนจะพึงได้ครอบครัวจะพึงได้สังคมจะพึงได้และตนจะพึงได้ในสัมป라จะพบภายภาคหน้าบุคคลผู้ปฏิบัติเช่นนั้นชื่อว่าเป็นทาดของทรัพย์สินอย่างในงทรงจําแนกแสดงบุคคลที่ได้ทรัพย์สินเอามาไว้เป็นหลายประเภทด้วยกันเช่นบุคคลเมื่อได้มาแล้ว ก็ไม่เลี้ยงดูทั้งตนเองทั้งครอบครัวไม่กระทำบุญบุคคลบางคนนั้นเลี้ยงดูตนเองบารุงบำรเรอตนเองแต่ไม่เลี้ยงดูครอบครัวไม่ทําบุญบางคนอาจจะเลี้ยงดูตนเองเลี้ยงดูครอบครัวแต่ก็ไม่ทําบุญซึ่งหมายความว่าบุคคลประเภทแรกพึงถูกตําหนิด้วยประการทั้งปวงบุคคลประเภทที่สองได้รับการยกย่องที่ใช้ทรัพย์ไปเป็นประโยชน์แก่ตนได้ถูกตําหนิเพราะไม่เกื้อกูลแก่ครอบครัวและไม่ทําบุญบุคคลประเภทที่สามนั้น จ่ได้รับการตาหนิในกรณีที่ไม่กระทําบุญบุคคลอีกประเภทหนึ่งนั้นหากินในทางที่ชอบทำเมื่อได้มาแล้วก็ไม่เลี้ยงดูตนเองไม่เลี้ยงดูครอบครัวไม่เลี้ยงดูไม่กระทาบุญก็ได้รับการยกต้องสรรเสริญในกรณีที่หาทรัพย์สมบัติมาในทางที่ชอบแต่ว่าถูกตาหนิในกรณีต้องการใช้จ่ายทรัพย์เพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรแกร่ใครด บุคคลอีกประเภทหนึ่งหายกินมาในทางที่ชอบทำเหมือนกันเลี้ยงดูตนเองให้เป็นสุขแต่ไม่เลี้ยงดูครอบครัวและไม่ทำบุญก็รับการยกย่องสองอย่างยกย่องในการให้ทรัพย์ในการสแสวงหาทรัพย์กับการใช้ทรัพย์เลี้ยงตนเองแต่ถูกตาหนิสองอย่างในกรณีที่ไม่เลี้ยงดูครอบครัวและไม่กระทำบุญบุคคลประเภทต่อไปนั้นเมื่อได้ทรัพย์มาแล้วได้ได้ทรัพย์มาในทางที่ชอบทำแล้ว เลี้ยงดูตนเองให้เป็นสุขเลี้ยงดูครอบครัวให้เป็นสุขและกระทำบุญยอ่องไปแล้วการยกย่องทุกสถานะชื่อว่าเป็นการสร้างที่พึ่งของตนเองทั้งในปัจจุบันให้ความสุขแก่ตนเองแก่ครอบครัวในปัจจุบันและก็เพื่อแผ่แก่สังคมในปัจจุบันได้ทั้งให้ความมั่นใจความอบอุ่นใจว่าเมื่อตายจากไปก็ได้พบได้ชาติปณิชยิ่งขึ้น ถึงความสุขที่เคยสัมผัสก็จะเพิ่มขึ้นความทุกข์ที่เคยสัมผัสก็จะลดลง แ, แม้ในชั้นของการได้ยศก็มีลักษณะเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงในแนวยันต์อย่างที่คนเหล่านั้นเขาเชื่อกันแนวยันต์ของพระพุทธเจ้าไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรเพียงแต่นําหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติเชนว่าคนจะเจริญด้วยยศ ซึ่งยศนั้นก็ทรงจำแนกแสดงไว้เป็นสามประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือปริวารยศ ม, มีปริวารมีพักพวกมีเพื่อนฝูงมากอิสยศได้แก่ความเป็นใหญ่ในตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นใหญ่ในหมู่ชนในกลุ่มชนเราถึงเป็นใหญ่ที่สูงขึ้นไปประการที่สามเรียกว่าเกีดยรติยศซึ่งเกิดขึ้นจากการประพฤติการกระทำความดีของบุคคลผู้นั้น เสยศกับบริวารยศนั้นจะเกิดได้ทั้งด้วยทางสุจริตได้เกิดได้ด้วยทางทุจริตพระพุทธเจ้าจึงไม่ค่อยรับสั่งถึงรถสองประการนั้นแต่เน้นที่ยศซึ่งเป็นส่วนเหตุคือเกียรติยศโ ด, ดยบุคคลพยายามเพิ่มพูนความดีขึ้นอาศัยหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างยศคือความเป็นใหญ่ แลจะต้องเป็นความเป็นใหญ่สองระดับคือระดับทางโลกกับระดับทางธรรมระดับทางโลกนั้นเป็นความเป็นใหญ่ที่เหนือกิเลส ท, ทั้งหลายไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสจากชั้นหยาบชั้นกลางจนถึงชั้นละเอียดเป็นเป้าหมายในที่สุดแต่ในขั้นของการดำรงชีวิตก็ขอเพียงแต่คนมีอำนาจเหนือกิเลสระดับหยาบสามารถครองตนโดยหลักศีลธรรมจรนยาร วาติจารให้ความสุขแก่บุคคลเหล่า น, นั้นได้เมื่อบุคคลมีเกียรติยศอิสยศที่เกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นด้วยความดีจริงๆเป็นการสร้างขึ้นหล่อหลอมขึ้นด้วยคุณธรรมปริวารยศก็จะเป็นการนับถือด้วยใจคืออยากจะนับถือปรารถนาที่จะนับถือมีความศรัทธามีความเชื่อมั่นมีความชื่นชมปีติในการกระทําความดีของบุคคลนั้น ซึ่งเป็นเหตุสร้างยศให้มีความมั่นคงได้เจริญมากยิ่งขึ้นแในขณะเดียวกันก็ทรงแสดงธรรมะเข้าไปกับความเจริญแห่งยศตหล่นั้นโดยเริ่มต้นด้วยให้บุคคลมีความหมั่นขยันในการปฏิบัติภารกิจของตนมีสติในการทำงานทุกกรณีเพราะชีวิตของบุคคลเรานั้น เมื่อจเจริญเติบโตขึ้นจะมีลักษณะเหมือนสายเส้นลวดความระมัดระวังจะต้องสูงขึ้นมากยิ่งขึ้นบุคคลจะต้องประคองตนให้เดินไปสู่จุดหมายปลายทางให้ได้แม้จะเดินมาครึ่งทางข่อนทางแล้วโอกาสที่จะหกกระเผลนลงมาก็มีได้ถ้าวราขาดสติเกิดความเผลอเรอเกิดหลงลืมเกิดพลั้งพลาดขึ้นในขณะ ใ, นขนในขนดขณะหนึ่งในช่วงใดช่วงหนึ่งเรนนี้เองจึงเกิดสำนวนที่เราพูดกันว่า รอดีพันดีชั่วนหนึ่งทีผ่าดีไม่ได้ผ่าดีไม่รอดแม้จะทาความดีสืบต่อกันมาเวลาเป็นเวลานานก็ตามแต่หากว่าขาดสติครั้งพลาดขึ้นมาในจุดใดจุดหนึ่งอาจจะลบล้างคุณความดีเหล่านั้นในสายตาในความรู้สึกของคนทั่วๆไปได้ก็ตามปกติคนเราจะมองกันในแง่ไม่ดีมากกว่ามองกันในแง่ดีความดีของบุคคลไม่มากเาจะพูดถึงจะพูดถึงเพียงเล็กน้อย ความชั่วของบุคคลแม้น้อยเมื่อพูดถึงก็จะพูดถึงขยายออกไปให้มากนั้นคือพื้นจิตใจของบุคคลโดยทั่วไปเป็นอย่างนั้นในฐานะที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคมพุจธา ก, ก็สอนหลักในการคุมใจตัวเองนอกจากมันขยายในตัวมันขยาย น, นั้นก็ต้องมีสติและในดิบทตถทั่วไปก็ต้องใช้สติสําแดงผลงานออกมาในรูปที่สะอาด ไม่มีปัญหาไม่มีข้อเครือบแคลงสงสัยเพราะการกระทําเหล่านั้นผลงานเหล่านั้นจะเกิดขึ้นมาในทางทุจริตมีการเบียดบังยักยอกเป็นต้นที่ต้องใชก้กรรมการงานสะอาดหรือในปัจจุบันก็พูดว่ามือสะอาดแต่พระพุทธเจ้าเองทรงเน้นไปที่ใจสะอาดเพราะถ้าใจสะอาดแล้วมือก็สะอาดการกระทําก็สะอาดผลงานก็จะเป็นเรื่องที่สะอาด แต่ถ้าใจไม่สะอาดแม้บุคคลจะมีความรู้สึกว่าการงานเราด้า น, นสะอาดก็เป็นเพียงแต่เล่เป็นเพียงแต่มารยาเป็นแต่ความหลอกลวงเพื่อนโน้มน้าวให้คนอื่นเห็นตามคอยตามเท่านั้นแต่ถ้าเริ่มต้นจากใจที่สะอาดได้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็จะเป็นผลงานแห่งความสะอาดเพราะทุกอย่างนู่นแลแต่สะท้อนมาจากใจด้วยกันทั้งนั้น สนการที่จะเป็นชนนี้ได้สติกับปัญญาจึงต้องเข้ากํากับซึ่งทรงใช้คําว่านิสมการินโนจอต้องมีการไข้ครวนมีการพิจิพิจารณามองเหตุมองผลในการกระทำในการประพฤติปฏิบัติการสํารวมระวังเป็นความจําเป็นซึ่งก็หมายความว่าใช้สติใช้ปัญญาค้ากํากับนั่นเอง เมื่อบุคคลปฏิบัติมาโดยลาดับเช่นนี้ชีวิตของบุคคลผู้นั้นก็จะกลายเป็นธรรมชีวีคือชีวิตที่ประกอบด้วยธรรมยุติด้วยธรรมทุกขยบทฏ้องการเคลื่อนไหวการปฏิบัติจะเป็นการเคลื่อนไหวที่ถูกควบคุมไว้ด้วยธรรมเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลเหล่านั้นก็ชื่อว่าอยู่ด้วยความไม่ประมาท ตามหลักพระพรหมพุทโธว่าที่เป็นปัจฉิมพุทธพุทโธพุทธพุทโธซึ่งได้รับสั่งไว้ก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพานเป็นการสรุปรวมหลักการปฏิบัติทั้งหมดในพระพุทธศาสนาไว้ที่ความประมงซึ่งผู้ปฏิบัติ ธ, ธรรมจะเห็นได้ว่าธ ร, รมะเหล่านี้เป็นฐานในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้สูงขึ้นสูงขึ้นในฐานของภพชาติ ก็เป็นการตกแต่งภพชาติในขั้นในขั้นของการเสริมสร้างเกียรติยศก็จะเป็นเกียรติยศที่พร้อมจะก่อให้เกิดเป็นความเปลี่ยนใจและบริวารขึ้นมาแต่ในขณะเดียวกันธรรมะเหล่านี้ไม่ได้หยุดเพียเพียงเท่านั้นเพราะแต่ละข้อนั้นคือหลักการปฏิบัติในชั้นหนึ่งเป็นอุปการะแก่ศีลแต่วิถีชีวิตในชั้นหนึ่งเป็นอุปการะต่อสมาธิ เจะเห็นได้ว่าแต่ละข้อนั้นเช่นความหมัน่นขยันความมีสติการงานที่สะอาดใคร้ควรและวก่อนทำตลอดจนถึงความไม่ประมาทนั้นล้วนแล้วแต่เป็นหลักการปฏิบัติระดับกรรมฐานทั้งส่วนของสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานด้วยกันทั้งนั้นซึ่งก็หมายความว่าการปฏิบัติทุกอย่างของบุคคลในชีวิตประจําวัน ตามก็มีส่วนแห่งการผสมกลมกลืนกับธรรมะใช้ธรรมะเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติแล้วลวนแล้วแต่เป็นอุปการะซึ่งกันและกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยของการแหลกกันเสริมสร้างจิตใจของบุคคลให้มีความสงบขึ้นมีความปรานิชขึ้นโดยลำดับจนถึงขั้นของสมาถากรรมฐานส่งขึ้นไปถึงวิปัสสนากรรมฐาน และส่งขึ้นไปจนถึงจุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนางา น, นการปฏิบัติทั้งหมดต้นแลแต่เป็นอุปการะทั้งนั้นถ้าเป็นการปฏิบัติความดีละความชั่วก็นี้จะเห็นได้ว่าการปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนาจึงเหมือนเป็นเหมือนการเจริญเติบโตของพืชพันธุ์ธรรชาติต่างๆหรือการก่อสร้างอาคารสถานที่ต่างๆ บุคคลเจอประมาทในจุดใดจุดหนึ่งไม่ได้แต่การพยายามที่จะเสริมสร้างในแต่ละจุดให้มีความมั่นคงเหมาะสมแกสถานะของตัวเองในที่สุดก็จะกลายเป็นปัจจัยของการอะไรกันรักษาสภาพของอาคารสถานที่ที่จะอำนวยประโยชน์ให้แก่บุคคลทั้งหลายได้หรือเหมือนกับต้นไม้ทั้งหลายที่จะเดิญเติบโตกึนอย่างมีสัดมีส่วนต่างเกาะยึง อ, อ, อาศัยซึ่งกันและกัน แม่กิ่งเล็กกิ่งน้อยแมอาหารเล็กเล็กแลน้อยแม้แต่เปลือกกระพิ<ม>เนื้อแกะของต้นไมเ้เหล่านั้นล้นวนแล้วแตมีความสําคัญในสัดส่วนของตัวเองและเป็นอุปการะปัจจัยสนับสนุนซึ่งการแลกกันทําให้ต้นไม้เหล่านั้นจเจริญเติบโตขึ้นไปได้สมมติว่าขาดไปสักอย่างหนึ่งเช่นต้นไม้ถูกปอกเปลือกออกหมดเลยต้นไม้นั้นก็อยู่ไม่ได้ทั้งทางที่ว่าเปลือกไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการแต่ว่า เปลนั้นก็เป็นอุปการะต่อความเป็นต้นไม้ความเจริญเติบโตของต้นไม้หรือแม้แต่จะไปตัดรากอะไรของต้นไม้ออกต้นไม้ก็อยู่ไม่ได้ตั้งแที่เราเวลาคนข้นต้นไม้ตัดต้นไม้คนก็ไม่ไดเอารากของต้นไม้นั้นไปแต่ว่ารากนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยสําคัญที่ให้ต้นไม้ดํารงอยู่การปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาต้องมองให้เห็นเช่นนั้นไม่ใช่ว่าจะต้องเมื่อปฏิบัติกรรมฐานแล้วก็คือนั่งหลับตาภาวนาพุทโธเป็นต้นเท่านั้น ที่จริงทุกอย่างที่ประพฤติกระทําอยู่นั้นล้วนเป็นเหตุเป็นปัจจัยด้วยกันที่จะส่งเสริมไปโดยลําดับถึงท่านเรียกว่าเป็นบารมีในกรณีของความดีคือเก็บ ค, ค, คือการสะสมไว้ทีละเล็กทีละน้อยและในที่สุดจิตใจก็จะมากไปด้วยคุณธรรมความดีเป็นฐานให้เกิดความสงบเกิด ค, ความรู้ได้ในเวลารวดเร็วพระพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนไม่ให้ประมาทในธรรมทั้งหลายคือไมายความว่าทําอะไรควรกําหนดรู้ก็กําหนดรู้ ทำอะไรควรละก็พยายามละละได้บ้างไม่ได้บ้างละน้อยบ้างละมากบ้างก็พยายามละไปทาไรที่เป็นเป้าหมายซึ่งตนควรจะต้องพยายามประพฤติปฏิบัติและสัมผัสได้ก็พยายามสัมผัสสัมผัสได้บ้างสัมผัสไม่ได้บ้างก็ไม่ได้ว่าอะไรขอเพียงแต่พยายามเท่านั้นเองให้ทำไรที่ควรลงมือประพฤติปฏิบัติก็ทรงสอนให้ลงมือประพฤติปฏิบัติซึ่งสร้างความสงบความประนีตขึ้นไปโดยลําดั บ, บังกล่าวแล้วและทางแห่งความสันสน ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเป็นโลกกรธรรมเป็นธรรมะที่อยู่กู่โลกไม่ว่าจะเป็นสรรเสริญหรือว่าตรงกันข้ามคืนอนินทาก็ตามแต่พระพุทธเจ้าทรงเน้นที่การสรรเสริญของวินญาณชนเป็นประการสําคัญประการกระทําของบุคคลถ้าไม่ดูบุคคลผู้สรรเสริญและในที่สุดก็จะถูกสังคมนั้นดูดให้กระทําไปตามเขาเข้าหมูวัยรุ่นก็ทํากันยังไงก็ต้องเป็นวัยรุ่นตามไปด้วย ข้าหมาู่คนอันตรพาณก็คนอันตรพาณก็ยกย่องการกระทำอย่างไรว่า ด, ดีก็ทําตามเข้าไปด้วยในที่สุดก็กลายเป็นคนที่ไม่มีจุดดืนอะไรที่มั่นคงหักเหไปหักเหมาชีวิตจะมีลักษณะสับสนพรจะเจ้าจึงทรงเน้นว่าวินยุชนยกย่องสรรเสริญดูในสายตาของนักปราชในปัจจุบันนั้นเราอาจจะกําหนดได้ยา ก, กว่านักปราชน์นั้นท่านพูดจังไงและใครคือนักปราชอันที่ก็ดูไม่ออกว่าใครคือปรชัช ก็จับหลักเอาที่พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นจอมปราดเป็นยอดแห่งปราดกา ร, รปฏิบัติจะต้องสอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องสรเสริญอะไรก็ตามที่พระพุทธเจ้ายกย่องสรเสริญบรรดาวินโยชน์ทางหลายย่อมยกย่องสรเสริญตามเพราะผู้รู้จะพูดตรงกันกับผู้รู้เท่าไรคนไม่รู้เท่านั้นเองที่พูดขัดแย้งกับผูร้รู้อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าพระองค์นั้นไม่ทะเลาะกะะันหรก เราไม่มีเหตุผลรายที่จะถกเฉียงกับโลกมีแต่โลกมาถกเฉียงกับพระองค์เท่านั้นตอนนี้เป็นพระใดพราะว่าพระองค์รู้สิ่งเหล่านั้นตลอดกระบวนการของทุกเ์ทุกข์แต่โลกเขาก็มองไม่เห็นไม่เข้าใจในปัญหาหล่านั้นในที่สุดก็ขัดแย้งก็โต้แย้งกับพระองค์ดังนั้นการใดที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องสันเสริญก็กระทำสิ่งนั้นจึงเกี่ยวกับว่าพระพุทธเจ้าทรงยกย่องสันเสริญความสุดจริตในระดับต่างๆ จนถึงระดับสุดยอดบนเส้นทางแห่งสุจริตทุกขั้นตอนของการปฏิบัติอย่างยกตัวอย่างที่กลับมาแล้วเราพุทธเจ้าไม่ได้ตาหนิทั้งหมดเช่นบุคคลทำมาหากินในทางศิ่อ์ศาสตร์สุจริตไม่เลี้ยงดูตนเองไม่เลี้ยงดูครอบครัวไม่กระทําบุญก็ทรงยกต้องในกรณีที่เขาประกอบอาชีพในทางสุดจริตตัวอีกสามอย่างก็ควรแก่การตาหนิเพราะเข้ามีการกระทําที่ควรตาหนิเองถ้าเผื่อว่าใครเกิด ธรรมากินในทางสุจริตเลี้ยงดูตนเองให้เป็นสุขแต่ไม่เลี้ยงดูครอบครัวไม่กระทําบุญสูงยกย่องสองสถานะทำนิสองสถานะแต่ถ้าใครทําได้เต็มทั้งสี่สถานะคื อ, อกินในทางชื่อสัต์สุจริตเลี้ยงดูตนเองให้เป็นสุขเลี้ยงดูครอบครัวให้เป็นสุขกระทําบุญโดวยวิธีการต่างๆก็เป็นผู้ควรแก่การยกย่องเพราะการกระทําทั้งหมดของเขานั้นควรแก่การยกย่องพระเจ้าก็ทรงสแสดงไปตามกรรมตามสมควรแก่การกระทําแต่ด้านความสุขก็จะเห็นได้ว่า พระพุทธเจ้าทรงสแสดงความสุขไว้ทุกขั้นตอนเพราะเป้าหมายของการประพฤติปฏิบัติธรรมะลาความชั่วประพฤติความดีทุกขั้นตอนนั้นอำนวยผลเป็นความสุขทั้งหมดแต่จะสุขมากสุขน้อยก็ขึ้นอยู่กับเขตที่บุคคลได้ประกอบกระทําลงไปนั้นเป็นการมองโลกธรรมในชั้นหนึ่งเป็นการตกแต่งภพชาติให้ประณีตยิ่งขึ้นไปพัฒนาชีวิตของบุคคลให้ก้าวสูควส่ความสุขความสงบในชั้นนั้นนั้น ก็เป็นระยะทางที่ไกลพอสมควรเหมือนกันเพราะทุกขั้นตอนนั้นมีเงื่อนไขมีหลักในการประพฤติปฏิบัติที่กําหนดเอาไว้แต่ในขณะเดียวกันพึงเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงในแนวรวมเอาไว้คือรวมไว้ทั้งหมดตัวรายละเอียดก็ว่ากันเป็นกรณีกรณีไปเช่นทรงแสดงถึงทางนรกทางสวรรค์เอาไว้ก็ทรงชี้ไปที่ทุจริตสามประการ คือสุจริตทางกายทางวาจาทางใจว่าเป็นทางนรกและชีพไปที่สุดจริตสประการคือสุจริตทางกายทางวาจาใจว่าเป็นทางแห่งสุคติส่วนจะสุคติขนาดไหนก็ขึ้นปริมาณขึ้นอยู่กับปริมาณของสุจริตดังนั้นการการประพฤติปฏิบัติสุจริตจึงคล้ายๆกับเรามีสเสบียงเดินทางหรือมีค่าพาหนะในการเดินทางเราจะไปไกลได้ขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีเงินขนาดไหน ถ้มีค่าพ า, านะมากก็ไปได้มากแต่หาความสะดวกสบายในสถานที่เหล่านั้นได้มากแต่ถ้ามีน้อยมันก็ลดหย่อนกันลงมาแต่ที่แน่นอนที่สุดคือเดินทางได้ก็มีค่าผานะอยู่จํานวนหนึ่งการบําเพ็ญความดีก็มีลักษณะเช่นเดียวกันผลจะหนวยเป็นความสุขนันแน่นอนแต่จะสุขมากสุขน้อยก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขดังกล่าวว่ามีอยู่มากหรือมีอยู่น้อยแต่พอถึงชั้นหนึ่งได้ทรงชีให้เห็นว่า บณรดานโลกธรรมเหล่านี้เป็นตัวที่สร้างปัญหาก็ได้เป็นตัวที่เสริมความสุขก็ได้ซึ่งบุคคลจะต้องเรียนรู้จะต้องเข้าใจในปัญหาทางโลกธรรมในชั้นแรกจะต้องมองให้เห็ น, หนสองด้านว่าในขณะมีลาบอยู่นั้นอีกภากหนึ่งคือเสริมลาบในขณะที่มียศอยู่นั้นอีกภากหนึ่งคือเสริมยศในขณะที่มี ได้รับการยกย่องสรรเสริญนั้นหรือคนกลุ่มหนึ่งก็ยกย่องสรรเสริญนั้นคนกลุ่มหนึ่งกะต้องนินทาหรือว่าคนกลุ่มที่ยกย่องสรรเสริญนั่นเองโอกาสต่อไปก็อาจจะนินทาก็ได้ในขณะที่มีความสุขจุดนั้นต้องมองให้เห็นอีกฟากหนึ่งว่ามีความทุกข์แฝงอยู่ซึ่งพร้อมที่จะสําแดงตัวออกมาเมื่อมองเช่นนี้แล้วจะควบคุมใจตนเองเข้ไป เมื่อได้ส่วนที่น่าปรารถนาคือลาภยศสัสนสุขก็ไม่เพลิดเพลิน เ, เริงหลงกำนัดยินดีมากเกินไปในขณะที่ประสบส่วนที่ไม่น่าปรารถนาคือเสื่อมลาภเสื่อมยศยินถาทุก็ทรสงสอนให้บุคคลมองในแง่ที่ว่าไม่มีอะไรไม่มีใครที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ไปได้แต่ทุกข์มากหรือทุกข์น้อยเท่านั้นเองแต่ว่าที่จริงในขณะที่เรามีทุกข์อยู่นั้นมีคนอื่นอีกเป็นมากที่ทุกข์กว่า ในขณะที่เรากินข้าวไม่อิมนั้นมีคนเป็นมากที่กําลังอดแต่ในขณะที่เรากําลังอดนั้นมีคนอีกเป็นนันมากเหมือนกันที่กำลังจะตายเพราะไม่มีกินมาหลายวันและคนที่กําลังจะตายนั้นก็ต้องนึกได้ว่าอีกคนอีกเป็นนันมากที่ตายไปเพราะอดมันยังมีอะไรที่แรงกว่านั้นดงไปเรื่อยเมื่อหมอหน้าจันนีก็จะทําให้สามารถทนต่อความทุกข์ที่บังเกิดขึ้นได้แม้แต่เรื่องของ ความเสืมราบเสื่อ ม, มยศนินทาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือมองได้ทั้งสองด้านถ้ามองได้ทั้งสองด้านแล้วใจก็จะไม่เดือดร้อนเมื่อประสบกับส่วนที่ไม่น่าปราถนามากเกิดไปเวลาประสบกับส่วนที่น่าปราถนาใจก็ไม่เพลิดเ พ, เพลินเรึงลงจนเกินไปแต่ในขณะเดียวกันก็ส่งชี้ไปที่ราบยศสรนเสริญสุขนั้นเป็นมาสเป็นเครื่องวัดระดับจิตใจของบุคคลในโลกนี้ เมจิตใจของบุคคลสูงได้ขนาดไหนเพราะคําว่ามนุษย์นั้นแปลว่าสัตว์ที่มีใจสูงแต่ใจสูงของมนุษย์ก็มีการรนหลั่นกันขึ้นไปเราจะเอาอะไรเป็นมาตรเป็นเครื่องวัดว่าคนไหนใจสูงขนาดไหนใครก็ตามที่ทําอะไรไปเพื่อลาภผลอย่างเดียวแม้จะเป็นการกระทําในทางสุจริตเมื่อเทียบกับเมื่อเทียบระดับใจิตใจกันแล้วถือว่าใจิตใจยังไม่ได้สูงมากพอ ประมงแต่วัตถุที่เป็นชิ้นเป็นอันเป็นผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ทํางานไปโดยเน้นไปที่มองมองตาวินโยชนระการกระทําอย่างนี้วินโยชนยกย่องสรรเสริญหรือไม่ถ้าท่านยกย่องสรรเสริญก็กระทำแสดงเห็นว่าได้ละเลยสิ่งที่เป็นรูปธรรมเป็นชิ้นเป็นอันออกไปได้แต ใ, ใจก็ไม่เกี่ยวเกาะอยู่ที่ตัวสรรเสริญซึ่งถ้าแสดงถึงพัฒนาการทางจิตความสูงของจิตแล้วท่านที่ทําเพื่อเพื่อ เพื่อยศก่อนคือท่านที่ทําเพื่อยศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกียรติยศเกียรติยศนั้นแท้จริงแล้วก็มีเชิงที่ปอับจะเป็นนามนธรรมมากแต่ท่านก็ควรแก่การยกอย่างสังเสริญในส่วนนี้ส่วนที่พวกพวกที่ทําเพื่อความสันเสริญ เ, เพื่อความสุขเป็นต้นก็จะประนีตขึ้นไปโดยลำดับดังนั้นจากโลกธรรมสี่ตัวหรือแปดตัวเนี่ยพระเจ้เอามาสอนได้หลากหลายสารพัดอย่างแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วเป็นระบบ ที่จะกำหนดทิศทางการดําเนินชีวิตของบุคคลให้ก้าวเดินไปสู่ความสุขความสงบโดยลําดับจนถึงกับเป็นความสุขที่เราเรียกว่าบรมสุขบนเส้นทางสายนั้นพระพุทธเจ้ า, าได้ทรงสแสดงไว้แล้วโดยลําดับปัญหาสําคัญว่าเมื่อบุคคลต้องการผลที่ทรงสแสดงไว้จะต้องเพียรพยายานสร้างสร้างเหตุตามที่ทรงสแสดงไว้เช่นเดียวกันเมื่อเดินไปตามเส้นทางเหล่านี้แล้วก็จะประสบ ผลที่ตนปรารถนาตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติตอนนี้ไปเขาให้ตั้งใจทำความส ง, งบสืบต่อไป